2 1 21. ถ้ากระจายขันห้าออกไปจะเห็นว่าตัวเราไม่มีวงเล็บเปิด23มีนาคม2551ในวงเล็บ 1. จุดจุดนาที7วงเล็บปิดเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีได้ขันหต้องกระจายตัวออกไปเราก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่เราแต่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับก็ดับ เห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถึงจะเห็นว่าไม่มีตัวเราเพราะตัวเรานี้เป็นภาพลวงตาเกิดจากขันห้ามันมารวมกันเข้ามีสัญญาเข้าไปหมายมีใจเข้าไปครองใจรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมันครอบครองขันห้านี้อยู่แล้วมีสัญญาเข้าไปหมายว่านี่เป็นตัวเราตัวเราก็เลยมีขึ้นมาจริงๆตัวเราไม่มีเพะขันห้ากระจายตัวออกไปจะพบว่าขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็เป็นภาพลวงตา คล้ายๆอย่างรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์เป็นภาพลวงตาเราอยากดูว่ารถยนต์ตัวจริงเป็นอย่างไรลองถอดมาดูทีละชิ้นถอดลูกล้อออกเออลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมหลังคาเบาะอะไรนี้ก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ทีนี้พอเราแยกสิ่งที่เป็นตัวตนออกมาแล้วเราจะพบความไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็เหมือนกันจิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าแยกออกไปแล้วจะพบว่าไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นต้องตั้งหลักให้แม่นนะ ภาวนาเพื่อเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ภาวนาอย่างไรจิตจะมีแต่ความสุขมุ่งเอาความสุขความสุขถาวรในโลกไม่มีในโลกมีแต่ความทุกข์ถาวร น, นะเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความสุขเป็นเพียงภาพลวงตา